การทำสมาธินั้นต้องอาศัยความตั้งใจที่แน่วแน่ถึงจะเกิดเป็นผลขึ้นมาเพราะสมาธินั้นเป็นธรรมะชั้นสูงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่สิ่งที่จะทำเล่น ต้องทำจริงพระพุทธเจ้าตรัสว่ากเยราเยกะรเยราเถหนังทำจับให้มั่นคั้นให้ตายการจับให้มั่นคั้นให้ตายนั้นคือความทำจริงกุโสยถาดุกหิโตหัตถเมวานุกันตติยาคาที่กรรมไม่แน่นแล้วดึงมา ย่อมบาดมือยาคาก็ไม่ขาดมือของเราก็ต้องถูกบาดอย่างนี้แต่ทำถ้าเรากายาคาให้แน่นดึงมายาคาก็ขาดมือเราก็ไม่บาดข้อนี้เป็นข้ออุปมาเรื่องของสมาธิที่จะให้ พวกเราทั้งหลายได้พากันทำให้เป็นประโยชน์ในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราได้ทำแล้วค่าสูงเหลือเกินเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาตมาจะเป็นผู้นำญาติโยมทั้งหลายก็วาดตามข้าพเจ้าและเลึกถึงคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ ค, งคุณบิ ด, ดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงมาดลบรันรดาลให้ใจของพระรพระริจ้าจงรวมลงเป็นสมาธิ พ, าพุทโธธรรมโมสังโฆ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 นึกพุทโธในใจนึกพุทโธนั้นไม่เร็วไม่ช้าอย่ากลั้นใจวางร่างกายของเราให้สบายทําตัวของเราให้สบายทําตัวของเราให้เหมือนเราอยู่คนเดียวพอหลับตาแล้วทุกอย่างก็ไม่เห็น เราเกิดมาคนเดียวตายไปคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าวิธีการวิธีการทำสมาธิเราท่านทั้งหลายการทำสมาธินั้นเป็นหนทางที่จะไปถึงสึ่งความสุขสบายหรือ เป็นหนทางที่จะทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้แม้ว่าจะเกิดความเจ็บความปวดความเมื่อยความเหนื่อยความหิวมากมายเพียงใดก็ตามก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคคือเราอย่าถือว่าเป็นอุปสรรคเราต้องใช้ความอดทน เพื่อจะต่อสู้ในการบำเพ็ญสมาธินี้เมื่อตั้งใจให้ดีแล้วก็ให้ธรรมะนี้หลั่งไหลเข้าทางหูแล้วก็รู้ถึงใจเรากำหนดใจของเราไว้เฉยๆธรรมะนี้จะเข้าทางหู แล้วจะถึงใจของเราเองเพราะว่าธรรมะไม่ได้อยู่อื่นไกลธรรมะอยู่ในตัวของคนพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่ได้สอนนอกเหนือไปจากตัวคนที่พระองค์ได้ทรงแสดงว่าปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลายห้า รูปขันโทรูปนั้นเป็นขันธ์หนึ่งเวทนาขันโทเวทนาเป็นขันธ์หนึ่งสัญญาขันโทสัญญาเป็นขันธ์หนึ่งสังขารขันโทสังขารเป็นขันธ์หนึ่งวิญญาณขันโทวิญญาณก็เป็นขันธ์หนึ่ง พระพุทธเจ้าที่ตรัสเทศนาถึงขันห้าก็คือเทศนาถึงตัวของเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้มีขันห้าทั้งนั้นขาสองแขนสองศรีรษะหนะถือว่าเป็นส่วนร่างกายในร่างกายอันนี้ที่เรามีอยู่นี้จึงเป็นรากฐาน เรียกว่ารากฐานที่จะทำให้เกิดคุณธรรมทำให้เกิดสมาธิทำให้เกิดความสุขก็เกิดมาจากฐานต้นคือร่างกายนี้เป็นอันดับแรกถ้าร่างกายอันนี้ไม่มีไม่รู้เราจะไปสอนกันตรงไหน หรือว่าเราจะไปสอนวิญญาณมันก็สอนไม่ได้หรือเราจะไปสอนอนาทิตย์สมานไกลมันก็สอนไม่ได้ก็ต้องสอนกันในร่างกายนี้ร่างกายอันนี้จะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจร่างกายอันนี้มีครบเมื่อต้องการดูรูปก็ได้ ตองการฟังเสียงก็ได้เพราะฉะนั้นร่างกายจึงถือว่าเป็นฐานคือเป็นฐานที่มีความสำคัญเมื่อเราได้ร่างกายนี้มาและเราได้พากันปฏิบัติก็เท่ากันกับว่าเราได้สิ่งที่ถูกต้องแล้วเราก็ปฏิบัติถูกต้อง เทพพระพุทธเจ้าตรัสถึงมหาสติปฐานพระองค์ก็ตรัสเอากายยานุปัสสนาสติปฐานขึ้นต้นและพระพุทธองค์สั่งให้ทำอย่างไรต่อกายอันนี้พระองค์สั่งให้พิจารณาว่าร่างกายนี้เป็นปฐมหรือร่างกายนี้เป็นตัวประสานงาน เมื่อเรามีร่างกายอันนี้แล้วร่างกายอันนี้ก็จะต้องเป็นตัวประสานงานคือประสานงานกับใจประสานงานกับคาสั่งสอนของพระพุทธศาสนาที่ว่าประสานงานนั้นก็คือนำร่างกายอันนี้มาฟังเทศฟังธรรมมาทำสมาธิ นำมาเป็นเครื่องพิจารณาการพิจารณานั้นองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ทรงรับสั่งต่อมาว่าอยังโขเมกาโยกายของเรานี่แหลอุดทางปราตาักรเบืองวนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอโถกเกสามาธกา ว่างต่ำแต่ปลายผมลงไปแต่จะปริยันโตมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบภูรโรนานปการรักษาอสุจินโนเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัอธิอิมสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้คือของไม่สะอาดก็มีทั้ง กระดูกเนื้อหนังอุจจลระปัสวะเลือดน้ำเหลืองที่อยู่ในร่างกายอันนี้เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้ร่างกายอันนี้เป็นประโยชน์กับเรามากที่สุดแต่ถ้าเราพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายอันนี้เกิดมาดับไป อย่างนี้ก็เรียกว่าเราทำได้ดีที่สุดเราได้ประโยชน์จากร่างกายอันนี้แต่ถ้าเราคิดถึงว่าร่างกายอันนี้มันเป็นของสวยงามร่างกายอันนี้ก็ศักต์ ว, ว่าร่างกายเราก็เลยกลับกลายเป็นการเพิ่มกิเลส ให้กับตัวของเราการเพิ่มกิเลสนั้นความรักเป็นส่วนการเพิ่มกิเลสความโกรธเป็นส่วนเพิ่มกิเลสความหลงเป็นส่วนเพิ่มกิเลสกิเลสทั้งสามกองนี้เป็นส่วนที่จะต้องเพิ่มคือเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่เชื่อฟังธรรมสอนของพระพุทธเจ้าแต่เราก็ไปเชื่อกิเลสนั่นก็ย่อมจะทำให้เกิดความฟุง้งซ่านถ้าเชื่อความรักความรักก็จะก่อความฟุง้งซ่านถ้าเชื่อความโกรธความโกรธก็จะก่อความฟุง้งซ่านถ้าเชื่อความหลง ก็จะก่อให้จิตนี้เกิดความโมเมานี่คือเราไปเชื่อคือเราเชื่อตัวกิเลสเมื่อเราเชื่ออย่างนั้นเราก็จะต้องได้รับผลคือได้รับผลในทางที่ทำให้เราแสวงหาแล้วก็เพิ่มพูนสิ่งต่างๆที่ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนทำให้ เกิดความเศร้าหมองด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ให้พิจารณาอาสุภกรรมฐานเพื่อที่จะได้ปรองสังเวทแล้วก็จะได้รู้เท่าถึงความจริงเมื่อปรองทำรรสังเวทรู้เท่าถึงความจริงแล้วก็กลับจิตนั่นก็กลับ คือกลับเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิได้ในเบื้องต้นเราก็มีโอกาสคือมีโอกาสที่จะก้าวหน้าต่อไปในทางที่ถูกต้องเมื่อโอกาสที่จะก้าวหน้าของเรามีอยู่เราก็จะต้องใช้ความ ตั้งใจหรือใช้ความปัญญาใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเพราะถ้าหากว่าทรรมจิตของเราสงบแล้วเราใช้ปัญญาก็สามารถรักษาความสงบต่างๆเหล่านี้ไว้เป็นหลักสามารถที่จะควบคุมให้เกิดเป็นพละงกำลังขึ้นมาได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนารู้เรื่องของการปฏิบัติคือรู้เรื่องของการกระทำจิตจึงได้เป็นผลเป็นประโยชน์แก่ผู้นั้นคือเป็นปัจจัยเป็นบารมีเป็นการสร้างสมเพิ่มเติมบารมีเหล่านี้ขึ้นมา เมื่อสร้างสมอบรมบา ร, รมีเหล่านี้ขึ้นมามากแล้วก็ทำให้เกิดความวิเศษคือพิเศษความวิเศษหรือเรียกว่าการพิเศษนั้นมันนอกเหนือไปจากสิ่งธรรมดาทั่วไปเพราะสิ่งธรรมดานั้นไม่ใช่พิเศษมันเป็นของปกติ ส่วนสิ่งที่เรียกว่าเป็นพิเศษนั้นคือนอกเหนือจากความปกติใจของเรานั้นที่ได้รับการพัฒนาเลยจากความปกติไปนั้น mm. ก็คือการที่มีการกระทําที่ต่อเนื่องการกระทําต่อเนื่อง จากวันนี้ไปหาวันต่อไปจากวันต่อไปแล้วก็ไปหาวันต่อไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการต่อเนื่องผู้ที่จะสำเร็จต้องอาศัยความต่อเนื่องนี่แหละเป็นหลักใหญ่เพราะฉะนั้นในท่านพระสาวกผู้ที่ท่านต้องการพ้นจากทุกข์ อย่างจริงจริงยังจังท่านจึงได้ออกทุดองกรรมฐานเพื่อที่จะได้สร้างความต่อเนื่องอันนี้ให้ติดต่อกันไปเป็นระยะเวลาอันยาวนานการเทศพวกทำสมาธิพอเป็นพิธีหรือว่าพอเป็นนิสัยอันนี้เรียกว่ามันเป็นส่วนเล็กน้อย เรียกว่าเป็นส่วนน้อยมากเพราะการกระทาเพียงเพื่อเป็นนิสัยหรือเรียกว่าทําไม่ให้เกิดมากไม่ได้เกิดสมาธิขึ้นมามากเพียงเพื่อให้สบายเล็กๆน้อยๆก็พอแล้วหรือทําเพื่อเราจะได้บุญก็พอแล้ว อย่างนี้เรียกว่าเป็นเพียงกระทาเพื่อพอเป็นนิสัยไม่ได้เป็นเรื่องของการทำจริงแต่การทำพอเป็นเพียงนิสัยนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ผลก็เป็นผลเป็นประโยชน์แต่ว่าต้องใช้เวลานาน คือใช้เวลาอันยาวนานอย่างการเดินทางอย่างนี้เราเดินไปสักกิโลสองกิโลแล้วเราก็หยุดซะอย่างนี้มันก็ต้องใช้เวลายาวนานมากส่วนผู้ที่เดินไปวันละสี่สิบห้าสิบกิโล อันนี้ก็ไม่ต้องใช้เวลายาวนานเพราะฉะนั้นก็เปรียบเหมือนกันกันกบผู้ที่บำเพ็ญสมาธิถ้าเราจะเอาเพียงแค่นิสัยวาสนาเราก็ทำกันไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆมันก็มากขึ้นเรื่อยๆเป็นนิสัยวาสนาไปเรื่อยๆแต่สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่เรามีความต้องมีความรู้ความรู้นั้นเป็นตัวที่จะต้องจุดชนวนหรือเป็นตัวนำที่จะเข้าสู่ความถูกต้องแม้เราจะกระทำเล็กน้อยก็ตาม แต่ถ้าหากว่ามันเป็นการถูกต้องแล้วผลนั่นมันก็มากทีเดียวแต่หากว่าเราทำกันจริงจจังๆอดหลับอดนอนอดอาหารแต่ว่าการดำเนินจิตนั้นไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะทำนานเพียงแค่ไหนก็ไม่ได้ผลอย่างยิ่ง เพราะว่ า, วาขาดความรู้คือขาดความรู้ที่ถูกต้องก็จะเป็นอันว่าถูกต้องยิ่งขึ้นไปความผิดของเรื่องสมาธินั้นมีอยู่มากมายบุคคลผู้ที่สร้างความผิดขึ้นนั้นเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการ เรียกว่าขาดความรู้เมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องใช้โอกาสเราต้องใช้เวลาเมื่อเราใช้โอกาสเวลาแล้วเราก็ต้องมีสติและปัญญาเมื่อเรามีสติปัญญาพร้อมการเดินหรือการที่เราจะ ถ้าพยายามให้จิตอันนี้เข้าสู่ความถูกต้องนั้นก็เป็นเรื่องง่ายนิดเดียวเหมือน ก, นกันกับคนที่รู้เข้าใจการที่จะเดินเข้าประตูบ้านเราเนี่มันเป็นสิ่งง่ายเหลือเกินแทบแทบที่จะหลับตาเดินก็ได้แต่ถ้าเป็นคนอื่น ที่ไม่เคยกับบ้านของเราอย่างนี้จะต้องหาประตูนานทีเดียวกว่าจะได้ไปพบประตูทางเข้าได้ข้อนี้ก็เปรียบเช่นเดียวกันการที่พวกเราได้พายกันมาปฏิบัติกันอยู่นี้เมื่อถูกต้องแล้วก็เท่ากันกับว่าเป็นบ้านของเราเป็นประตูที่ สามารถจะเดินเข้าเดินออกได้สบายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องศึกษาครูบาอาจารย์มีที่จะศึกษาไม่ต้องไปกลัวคือไม่ต้องไปกลัวครูบาอาจารย์เราจะต้องเป็นตัวของเราเองแล้วแหละ เราก็ช่วยกันขวนขวายคือช่วยตัวของเราขวนขวายต่อไปเท่าที่พูดมาในเรื่องลักษณะของผู้ที่จะบำเพ็ญความเพียร น, นี้เพื่อที่จะให้เข้าใจคือเข้าใจซะก่อนทำความเข้าใจซะก่อนแล้วเราจะได้ เดินไปในทางถูกต้องแท้จริงปฐมฌานนั้นมีอยู่ห้าประการคือวิตกวิจาร์เปติสุกเอกคตาอตมาจะลำดับฌานให้ทราบมิตกนั้นวิจาร์นั้นได้แก่คำบริกรรมคนที่จะบริกรรมพุทโธก็ดี บริกรรมสัมมาอาหังก็ดีบริกรรมอัติก็ดีบริกรรมอะไรก็ได้ในคำบริกรรมนั้นคือการบริกรรมนั้นถือว่าเป็นเรื่องของปะถมชฌานคือเป็นองค์ที่หนึ่งก็องค์ที่สองเรียกว่าวิตกเรียกว่าวิจาร์ เมื่อเป็นเช่นนั้นต่อไปปิติคือความอิ่มใจก็เกิดขึ้นความอิ่มใจนั้นได้แก่ความสุขสบายที่ปราศจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์เข้ามาเจือปนก็เลยเกิดปิติคือความเอิบอิ่ม เมื่อปีติวิตกวิจาร์ปีติแล้วก็มีความสุขความสุขก็คือความสบายของจิตใจนั่นเองเรียกว่าไม่ว่กแวกวไปตามอารมณ์ต่างๆเกิดความสุขและเอกคคตาสุดท้ายก็คือความเป็นหนึ่งพอนึกพุโทโธมากเข้ามากเข้า จิตมันก็จะค่อยหดตัวลงตามลำดับการหดตัวหลกของจิตนั่นก็คือการที่ถูกละอารมณ์ต่างๆออกไปแล้วก็เกิดความเป็นหนึ่งของจิตนี่เรียกว่าปฐมมชานต่อไปนั้น เป็นธุติยชฌานธุติยชฌานนั้นมีองค์สามคือสุขเอกัคขตาเป็นอันว่าวิตกวิจารไม่ต้องในฌานที่สองนี้คือพุทโทไม่ต้องทำบริกรรมไม่ต้อง ถ้ายังใช้คำบริกรรมอยู่พวกนั้นก็ยังอยู่ในปฐมฌานเคยยังก้าวไปถึงฌานที่สองไม่ได้พระจิตยังไม่มั่นคงพอที่ว่าจิตไม่มั่นคงพอก็เพราะว่ากําลังยังไม่พอก็ต้องนึกโทไปก่อนเมื่อกําลังพอแล้ว พุโทโธไม่ต้องนึกแต่จิตก็เหมือนกันกับนึกพุโทโธเหมือนกันคือมีความเป็นสมาธิเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตของคนเราที่จะเลื่อนชั้นจากวิจจากปฐมฌานมาถึงทุติยฌานนั้นก็ต้องเลื่อนชั้นอย่างนี้คือไม่ต้องบริกรรม แต่ว่าจิตมันก็อยู่ได้เหมือนคำบริกรรมเหมือนกันนี่เป็นชันที่สองและชันที่สองนี้ก็มีความสุขแล้วก็มีปีติอีกด้วยความเ อ, อิบอิ่มต่างๆต่อจากนี้ไปจิตก็จะเลื่อนขึ้นถึงชันที่สาม เมื่อถึงชานที่สามแล้วก็ตัดความสุขออกไปชันที่สามนั้นก็จะมีแต่ความสุขกับเอกคตาไม่ใช่ตัดความสุขแต่ว่ายังมีความสุขอยู่แต่ปิตินั้นไม่มีแล้วมาถึงชันที่สามนี่ปิติไม่มีแล้ว มีแต่สุขกับเอกัตตาก็คือความเป็นหนึ่งไม่ต้องบริกรรมพอมาถึงขั้นชาญนที่สามแล้วยิ่งไม่ต้องบริกรรมใหญ่เพราะกำหนดจิตเข้าไปแล้วนี่มันก็จะเข้าไปตั้งอยู่ได้เองอย่างนี้แล้วก็มีแต่ความสุขแล้วก็มีแต่ความเป็นหนึ่ง การตั้งอยู่นั้นไม่ใช่ตั้งห้านาทีสิบนาทีแต่ว่าตั้งเป็นเวลานี้แล้วก็มาถึงบนาทีมาตูบตูบ อ, อาสิอย่างนี้จะมาเป็นตาติยฌานย่อมไม่ได้เมื่อเลอยจากตะติยฌานแล้วก็มาถึงจะตุถฌานคือฌานที่สี่สุดท้าย ชั้นที่สี่นั้นมีแต่อุเบกขากับเอกคตาคือความวางเฉยแล้วก็มีความเป็นหนึ่งนี่เรีย ก, กว่าจิตชั้นยอดถ้าทํามาถึงนี่ได้ถือว่าจิตชั้นยอดอย่าไปเชื่อคำวาลิกมัมถ้าหากว่าเราเชื่อและติดอยู่ในคำบริกรมแล้ว จิตของเรานี้ก็จะก้าวเป็นชานตามลำดับอย่างนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นชานที่สี่จึงเหลือแต่อุเบกขากับเอกคตาข้อนี้อาจมาจะเปรียบเทียบให้ฟังเปรียบเหมือนกับคนเรานี้เกิดมาก็ยังไม่เคยมีบ้านสักหลังยังไม่เคยมีรถเก๋งสักคัน อยู่ๆต่อมาเกิดมีเงินขึ้นมาถูกลอตเตอรี่บ้างอะไรบ้างก็เกิดมีเงินขึ้นมาแล้วก็เอาไปซื้อบ้านเอาไปซื้อรถเพราะว่าไม่เคยมีเลยก็เกิดปีติจนตัวลอยเรีย ก, กว่าเต้นจนเตะหละตัวลอยอย่างนี้เรียกว่า เกิดความเอบอิ่มถ้าเปรียบก็บเหมือนกับปถมฌานแต่ว่าบุคคลคนเดียวกันนี้ต่อมาในภายหลังเกิดล่ำรวยมหาศาลรถจะเอาเท่าไหร่ก็ได้บ้านจะเอากี่หลังก็ได้พอไปถึงขั้นนี้แล้วให้ความเอบอิ่มปีติอย่างที่ ไม่เคยได้พบนั่นจิตนั่นมันก็หายไปพอได้รถคันงามงามคันที่สองที่สามที่สี่มันก็เท่านั้นแหละคือมันไม่มีปีติเหมือนเดิมชั้นใดก็ดีอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบเหมือนกันกับจิตที่ไปถึง อุเบกขาใกล้เอกคตาเรียกว่าจิตดำเนินถึงชานชั้นสีก็จะไม่มีความเ อ, อิบอิ่มถึงแม้ว่าจิตนั้นจะละเอียดแค่ไหนก็ตามก็จะเกิดความมีความรู้อยู่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องของชานนี้ถ้าใครทำได้ ผู้นั้นจะดำเนินวิปัสสนาได้ต่อไปเพราะการดำเนินวิปัสสนานั้นต้องอาศัยอาศัยอะไรอาศัยพลังจิตเมื่อเกิดพลังจิตขึ้นจากฌานทั้งสี่คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทฌาน ก็นำเอามาพิจารณาร่างกายพิจารณาถึงสิ่งต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นประดุ จ, จท่านพระอัญญาโกลทัญะที่ท่านมีดวงตาเห็นธรรมว่ายังกินจิสมุทยะธรรมมังสับบันตังนิโรธธรรมมังรม ท, ทั้งหลาย มีใจทำทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นธรรมดาทำทั้งหลายเหล่านั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ต้องเกิดขึ้นจากญาณไม่ใช่เกิดขึ้นจากความนึกคิดเพราะว่าเราไปคิดบวานนยเอามันก็ไม่ได้การที่จะบวเนายขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยกําลัง คืออาศัยกําลังของฌานพิจารณาถึงความเกิดความดับร่างกายเกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายหน้าสังเวชสลดใจเมื่อเป็นเช่นนี้ความสังเวชสลดใจอันนั้นถือว่าเป็นวิปัสสนาญาณดำเนินวิปัสสนานั้นดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ ดำเนินสมถะนั้นดำเนินเพื่อความสงบดำเนินเพื่อความเป็นกำลังเมื่อกำลังเป็นที่เพียงพอพิจารณาก็เห็นจริงแจ้งประจักษ์การเห็นจริงแจ้งประจักษ์นั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นปจัจจขสิทธิ์ เมื่อเป็นปัจจักสิทธิ์ก็ถือว่าเกิดเป็นสัจธรรมพิจารณาเห็นจริงแจ้ง็จากลงไปถึงสัจธรรมอันนี้ก็สามารถที่จะกำจัดกิเลสออกไปได้โดยสิ้นเชิงด้วยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงจัดว่า สมาโธจะวิปัสนาจะความสงบด้วยการมีปัญญาด้วยอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราท่านทั้งหลายการที่เราได้พากันบำเพ็ญในทางถูกต้องแล้วก็น่าจะต้องภาคภูมิใจ หรือดีใจที่เราเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาที่เราช่วยกันจำลองพระพุทธศาสนานี้ไว้เมื่อเรารักษาศ า, าสนาทั้งแรกต่อไปเราก็รักษาเราคือรักษาตัวของเราให้เกิดความ เป็นไปยิ่งยิ่งขึ้นสมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทาวิโตการเจริญให้มากเาลีกโตเจริญให้มากอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้ดีนิพพานายะ เป็นไปเพื่อความดับสนิทต่อไปนี้ขอท่านทุกคนจงพากันตั้งใจนั่ง ส, สมาธิกันต่อไป